สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่48แล้วนะครับไปใต้หัวข้อย่อยก็คือชีวิตหญิงชาวสมาเรียนะครับตอนที่4ครับน้ำทำรงชีวิตพี่น้องครับเมื่อวานนี้นครับเราได้มีโอกาสพูดถึงน้ำจากบ่อน้ำของยาโคบสามารถดับกระหายความกระหายของร่างกายแต่พระเยซูซึ่งพระองค์ได้ทรงประทาน น้ำแห่งชีวิตหรือน้ำํารงชีวิตนี้จะสามารถดับกระหายทางด้านจิตวิญญาณน้ําดํารงชีวิตนี้มีความหมายก็คือชีวิตนิรันดร์ครับวันนี้นะครับเราจะมาพิจารณาต่อไปดูว่าใครต้องการน้ําดํารงชีวิตแล้วจากในพระธรรมยอร่อนบทที่สี่นะครับข้อสิบห้าถึงข้อยี่บหกนะครับถ้าว่าพี่น้องมีพระกรมัมภีรนะครับเปิดตามไปด้วยก็จะเข้าใจสิ่งที่ผมกําลังอธิบายที่นําเสนอต่อพี่น้อง หญิงนั้นทูลพระเยซูว่าท่านเจ้าคะ่ะขอน้ํานั้นให้ดิฉันเถิดเพื่อดิฉันจะไม่กระหายอีกและไม่ต้องมาตักน้ําที่นี่พี่น้องครับนางได้ได้เข้าใจสิ่งที่พระเยซูตรัสหรือเปล่าครับคําถามนะครับนางได้เข้าใจสิ่งที่เยซูตรัสถามหรือเปล่าครับหรือตรัสหรือเปล่าครับเยซูทรงทราบนะครับว่าพระเยซูนั้นควรนํานางให้รู้ว่านางจําเป็นจะต้องได้รับความรอด พระเยซูจึงตรัสกับนางว่าไปเรียกผัวของเจ้ามาที่นี่เถิดพี่น้องครับถ้าถามอย่างนี้นะครับก็ต้องตอบว่านางนั้นไม่เข้าใจครับนางยังไม่เข้าใจนะครับว่าน้ํำทานงชีวิตเนี่ยนะครับเป็นน้ําฝ่ายจิตวิญญาณเป็นชีวิติรันที่พระเยซูกําลังประทานให้เขาอยู่เนี่ยแต่เขาไม่เข้าใจครับเขาจึงถามคําพูดคํถาถามคํานี้เพราะฉะนั้นพระเยซูก็เลยรุกนะครับสวมบทรุกก็คือ proactive ครับ เปียสูเริ่มที่จะเข้าไปถึงความต้องการถึงความจริงในชีวิตของเธอเพื่อที่จะตีแผ่ว่าชีวิตของเธอนั้นมีอะไรบ้างเปียสูจิงตร์ัดกับเธอว่าไปเรียกผัวของเจ้ามาที่นี่เถิดหญิงนั้นก็ตอบนะครับว่าดิฉันไม่มีผัวค่ะพี่น้องครับคนที่ตอบอย่างนี้นะครับเขาคิดมานาน เขาอยู่กับปัญหาของเขามานานเขาอยู่กับความขัดแย้งต่างๆเหล่านี้ในความคิดในความรู้สึกของเขามานานนะครับเพราะเหตุที่เขาเนี่ยนะครับมีผัวห้าคนไปแล้วนะครับแล้ะคนที่อยู่ในเวลานี้ก็ไม่ใช่ผัวจริงๆของนางพี่ครับพี่น้องครับเราทั้งหลายนะครับเข้าใจนะครับว่าผู้หญิงคนเนี้ยมีชีวิตที่จมนะครับอยู่กับปัญหาของเธอแต่แน่นอนครับเมื่อ มีใครมาถามเธออย่างนี้เธอก็สามารถที่จะตอบโต้หรือโต้แย้งได้ว่าดิฉันไม่มีนะครับแต่พระเยซูก็ได้สำแดงถึงความอัศาจรรย์ของพระองค์ฤทธิ์ทำฤทธิ์านุพาทธาิอำนาจของพระองค์ได้บอกว่าเจ้าพูดถูกแล้วว่าผัวไม่มีเพราะเจ้าได้มีผัวห้าคนแล้วและคนที่เจ้ามีอยู่นี้ไม่ใช่ผัวของเจ้าเรื่องนี้เจ้าพูดจริงเพียงครับเมื่อพระเยซูพูดอย่างนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่านางนั้นก็ตกใจมากถามว่าทำไมนางจดใจตกใจครับเพราะนางรู้นะครับว่าคนที่รู้อย่างนี้นะครับซึ่งเป็นชายแปลกหน้าเนี่ยต้องเป็นผู้เผยพวจนะแน่ผู้เผยพระวจนะแน่ถ้าไม่ใช่ผู้เผยพระจนะจะพูดถูกเพ้งอย่างนี้ได้ยังไงครับถ้าหากว่าพระเยซูเป็นผู้เผยพระจนะแน่ความบาปผิดต่างๆของนางก็ต้องรู้นี่คือสิ่งที่ในข้อที่ยี่สิบนะครับ ได้บรรยายว่าทันทีที่พีเอชูทรงเปิดโปงความผิดบาปของนางนางก็เปลี่ยนเรื่องทันทีครับและพูดถึงข้อโต้แย้งระหว่างชาวยิวกับชาวสมารีมาตั้งแต่ครั้งโบราณชาวสมารีนะครับเชื่อว่าสถานที่ที่จะไปน้ำมการพระเจ้าคือภูเขาเกริซิมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นั่นเท่าไหร่นะส่วนชาวยิวนั้นถือว่าสถานที่แห่งเดียวสําหรับการนมำสการพระเจ้าก็คือพระวิหารแห่งกรุงเยรูซาเล็มนะครับ อันนี้เราจะเห็นนะครับว่าหลักศาสนาศาสตร์ที่ถูกต้องนะครับก็ย่อมถูกต้องหลักศาสนศาสตร์ที่เพียนไปนะครับก็ย่อมเพียนไปเมื่อพระเยซู ต, ตอบคําถามของของนางนะครับด้วยข้อความเชิงพยากรณ์ในข้อยี่บเอ็ดถึงข้อยี่สิบสี่พรงตอบคําถามของนางนะครับโดยการอธิบายว่าความตายของพระองค์นั้นจะเริ่มยุคใหม่ของการนมัสการต่อจากนี้ไปการนมัสการพระเจ้านั้นไม่ได้มีศูนย์กลางอยู่ที่พระวิหาร หรือบนภูเขาอีกมนุษย์จะนับศการพระเจ้าที่ไหนก็ได้ครับเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญ ญ, ญาณผู้ปอดทับอยู่ทุกขนทุกแห่งทุกเวลามีศันดิ์ศสูงสุดพรงรับการนับศการพระเจ้าที่ไหนก็ได้ครับนี่คือหลักการอีกหลักหนึ่งในพระธรรมปีตอนนี้พี่น้องครับในข้อ25นะครับหญิงคนนั้นทูลพระเยซูว่าดิฉันทราบว่าพระเมสสโภดกที่เรียกว่าพระคริสต์จะเสด็จมา เมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์ทรงชี้แจงทุกสิ่งแก่เราชาวสมารียเชื่อว่าพระเมสสิยาจะเสด็จมาครับแต่พวกเขาไม่ยอมรับว่าพระองค์จะสืบเชื้อสายของดาวิดเพราะว่าถ้าสืบเชื้อสายของดาวิดนะั้นพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้รับอะไรเลยเพราะาอะไรครับเพราะเพราะว่าดาวิดนั้นอยู่ในเผ่ายูดานะครับแล้วก็พระเยซูก็อยู่ในเผ่ายูดาด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับถ้าเป็นเผ่ายูดาแล้วเราก็ คงไม่ใช่ชาวสมารียครับเพราะว่าอยู่ที่แผ่นดินยูดาห์นะครับอันนั้นคือความรู้สึกว่าเขายอมรับนะครับแต่ว่าไม่ได้ยอมรับว่าพระเยซูจะสืบเชื้อสายมาจากขสัตว์ดาวิดครับเขายอมรับคนสมารียนี่ยอมรับแค่พระธรรมเปญจบาลเท่านั้นนะครับก็คือปฐมการอพยพเลวิติกันอาวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติมีห้าเล่มครับซึ่งเขาถือว่าเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าแต่พวกเขานั้น คาดหวังบุคคลที่ใกล้เคียงหรือเหมือนกับโมเสสครับผู้ซึ่งจะกอบกู้ให้พ้นจากจักรวรรดิโรมซึ่งครอบครองปาเลสไตน์อยู่พี่น้องครับนี่คือเบื้องหลังทางบทรัจเล็กๆน้อยๆนะครับพี่ชาวสมาเรียก็ไม่ถูกกับยิวชาวสมาเรียก็ไม่ชอบให้แผ่นดินของเขามาถูกเทคโอเวอร์หรือว่าจะต้องส่งเป็นสวยนะครับส่งเป็นเครื่องบรรดาการอันนี้ ก็จะแสดงให้เห็นว่าแผ่นดินของตัวเองนั้นได้ตกเป็นเมืองขึ้นของเขาไปเสียแล้วพี่น้องครับพราะเจ้าพระเจ้าที่จะมาถึงพี่น้องในเช้าวันนี้ก็คือว่าเราทุกที่พูดกับเจ้าอยู่นั้นคือผู้นั้นเรานะครับก็คือพระเยซูพูดกับผู้หญิงคนนี้นะครับก็คือพูดที่จะให้น้ําหรือประทานน้ําทําโรงชีวิตให้กับพวกเขาพี่น้องครับ เราดูชีวิตของพวกเรานะครับเราเองนี้ได้พระเยซูแล้วจริงๆหรือเปล่าเราได้อัเชิญพระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตจริงๆหรือเปล่าเราได้เชิญพระเยซูให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราหรือเปล่าในขณะเดียวกันแอคชั่นของเรานะครับก็จะต้องเหมือนกันครับก็คือเหมือนกับที่บอกว่าปากตรงกับใจกับใจตรงกับปากแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเรานั้นจะต้องจริงใจในขณะเดียวกันนะครับเราก็จะต้อง เป็นผู้ที่รับเอาชีวิตอิรันก็คือพระเยซูเข้ามาในใจของเราเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อหลักการนั้นมั่นคงจะอยู่ที่เราเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วเราจะเป็นผู้ที่อยู่ในพระสวงขององค์พระผู้เป็นเจ้าอาเมน